ก็วันหนึ่งอาจารย์สุลักษ์สิวรักษนะ์ไปเยือนวัดไทยที่เบิร์กลีย์ก็มีการปรึกษาเรื่องนี้นะอาจารย์สุลักษ์ก็เลยแนะนำว่าเอาอย่างนี้สิน ะ, ะเวลาจัดงานนี่นะก็เชิญชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยมาร่วมด้วยเพราะว่าเวลาจัดงานนี้ก็จะมีการเอาอาหารไทยนะมา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 ก็พอใจกันทุวนหน้าพรากว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเสียงเรียกร้องที่จะให้วัดไทยนี้ย้ายออกไปหรือว่างดกิจกรรมก็ค่อยๆแผ่วเบาลงนะคนที่เคยตั้งตัวเป็นปฏิปักษนะ์กับวัดนี้ก็อ่อนเสียงลงนะกลับมาเป็นเพื่อนนะก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้วัดไทยในเบิร์เลอ์ก็ยังตั้งอยู่ได้นะก็ยังมีกิจกรรมเหมือนเดิม คราวนี้คนแถวนั้นก็ไม่ค่อยโวยวายอะไรแล้วเพราะเขาสืว่าเป็นมิตรกับวัดไทยมากขึ้นเป็นมิตรได้เพราะอะไรท่าเป็นมิตรได้เพราะว่าการการที่วัดไทยนี้ไปแสดงความมีน้ำใจกับเขาเอื้อเฟื้อเขาเชิญชวนเข้ามากินอาหารนะไอ้การเอื้อเฟื้อเอือกูนี่มันสามารถที่จะเปลี่ยน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 นะแกก็สึกเกรงใจขึ้นมาทันทีคือพอเป็นเพื่อนกันแล้วก็เกรงใจกันได้ง่ายนะไอ้ที่ไม่เกรงใจเพราะยังไม่เป็นเพื่อนกันพอเป็นเพื่อนแล้วก็เกรงใจยังไม่มีใครขอร้องเลยนะให้ช่วยเก็บป้ายไว้แกก็สํานึกได้เองนะอันนี้เป็นพ่อแรงก็เป็นพ่อความเอื้อเฟืนะ้ที่ได้รับจากจากเพื่อนบ้านนะผู้ชายจึงตัดว่านเนี่ยทานเนี่ยนะ มันเป็นเครื่องสมานน้าใจก็เรียกว่าสังขาวัตถุสังคาวัตถุสี่เนี่เริ่มต้นโดยทานสังคาวัตถุแปลว่าสิ่งที่ช่วยสมานน้าใจสมานน้าใจเพื่อนบ้านสมานน้าใจคนที่อยู่รอบข้างหรือคนที่ไกลเวลาทมีความเลืลนห่างหมางเมือนกันหรือมีความเป็นปฏิปักษ์กันบางทีก็สมานใจกันได้เปลี่ยนใจได้ให้เป็นมิตรนะด้วยการให้ทานก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่แหละไม่ว่าคนไทยหรือฝรั่งนะพอเราหยิบยื่น